สวัสดีตอนบ่ายพี่น้องทุกท่านนะครับช่วงเวลานี้เรายังอยู่ในช่วงเวลาของ40วันนะครับของเทศกาลเข้าสู่ดําก่อนเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์นะครับเราจะช่วงนี้จะเป็น40วันอยู่นะครับแต่ช่วงเวลาที่เดือนหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์ครับเป็น7วันในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะเป็น7วันอันตรายเช่นเดียวกันที่พี่น้องจะมีโอกาสได้ไป กลับไปบ้านไปพักพรไปหนีร้อนนะครับหนีร้อนจากกรุงเทพอาจจะขึ้นเหนือไปอาจจะลงใต้ไปเจอทะเลอาจจะขึ้นเหนือไปเจอภูเขานะครับงั้นผมอยากจะให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้จากพระชนะในตอนนี้ขอให้เรามีโอกาสได้ดูคลิปแรกซึ่งเรามีโอกาสได้ดูแล้วขอให้ดูซ้ำอีกครั้งนะครับพี่พี่น้องคนรจังจาคลิปนี้ได้นะครับ คลิปนี้เกิดเมื่อไม่นานมานี้มันน้ำเหรอใช่มนเอาดินนั่งมาลงปกป้องดูสักแป๊บหนึ่งนะครับทําเพื่อละเสียงงบเปล่าใครก็จะมาดึงอู้หึ้ยแค่นี้พอครับแค่นี้พอครับอันนี้เราเห็นว่ารถเบนซ์นะครับใช้ความเร็วประมาณร้อยแปดิบถึงสองรอชนกับรถฟอร์ดนะครับนักศึกษาปริญญาโทสองท่านเสียชีวิต นะครับล้นระเบิดนะครับอันนี้เป็นหลัจากไม่เพียงแต่เหตุการณ์นี้นะครับยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์นะครับทําให้ประเทศไทยของเรานะติดอันดับที่2นะครับของโลกนะครับจากการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่เพียงแต่แค่เหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับแต่ยังคงมีอีกหลายหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์รถตู้นะครับเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับบนท้องถนนไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้นนะครับ จึงมีหลายฝ่ายออกมารณรงค์ครับหลายหน่วยงานนี้ออกมารณรงค์เพื่อลดสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมีหน่วยงานหนึงครับผมไม่เอ่ยชื่อครับตระหนักดีถึงเรื่องดีนะครับได้ร่วมกันสร้างสารรค์ทําวิดีโอขึ้นมานะครับทําคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเตือนเรื่องการขับรถเร็วและทําและการขับรถเร็วนี้มันมีเขาเรียกว่าทฤษฎีถ้าพูดถึงทฤษฎีวิสัยทัศน์อุมโมงค์ทุกท่านจะพอพ อ, พอทราบไหมครับเคยรู้ไหม งั้นดูคลิปที่สองต่อไปครับพอเห็นอย่างงี้แล้วร้องอ๋อเลยครับเนี่ยครับคือทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์ทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอแล้วยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอ โอเคครับท่านผูครับนะครับเนี่ยครับอันนี้คือถ้าพูดถึงบอกว่าชื่อทิสดีวิสัยทัศน์อุโมงค์เราอาจจะไม่ทราบแต่พอเราเห็นโฆษณานี้ขึ้นมาเรารู้เลยนะครับแล้วเหตุการณ์นี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทิสดีวิสัยทัศน์อุโมงค์คืออะไรนะครับปกติสายตาของคนเรามองเห็นกี่องศาครับ180องศาถูกไหมครับเรามองเห็นอย่างนี้นะครับนะครับแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราใช้ความเร็วของรถนะครับเอาเริ่มต้นจาก30กิโเมตรก่อน องศาจะเหลือร้อยองศานะครับเมื่อความเร็วถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับองศาจะเหลือแค่40องศานะครับเราไม่ต้องพูดถึงการที่จะคํานวณเรื่องเบรกนะครับเพราะเรารู้ว่ามีอะไรก็ตามประมาณการตัดสินใจวันสองวินาทีเหยียบเบรกนะครับแต่นี้คือบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะเหยียบเบรกทานครับเพราะว่ามุมที่ยิ่ง เห็นน้อยลงมองตรงไปเห็นจุดข้างหน้าอยู่อย่างเดียวข้างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้ต้องเป็นสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ดูคลิปที่สอันนี้เราอาจจะเคยทราบใช่ไหมครับลูกเศรษฐีกรีซนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับพอแค่นี้เลยครับนะครับอันนี้เกิดจากการหลบ อะไรเราไม่ทราบนะครับแต่ว่ารถเสียหลักนะครับมาชนรถของพ่อแม่ลูกพ่อมาแวะปัสสาวะปัสสวะนะครับเนี่ยริมทางนะครับแล้วแม่ลูกที่นั่งอยู่ในรถรออยู่ในรถครับเสียชีวิตร่วมกันสี่คนรวมกับรถอันนี้รถคือรถพ orsche นะครับหรือปอร์เช่นะครับปอร์เช่นะครับใช้ความเร็วอันนี้เกิน 200นะครับเกิน200นะครับแต่ตอนที่ตอนนี้คือหลังจากที่ลดความเร็วมาแล้วตอนที่ลดแถงมานะครับแล้วให้ดูคลิปสุดท้ายครับอันนี้จะเห็นว่าทฤษฎีวิสัยทัศน์อุบงชัดเจนจากคลิปสุดท้ายนี้นี่เกิดที่ประเทศสิงคโปร์เราจะเคยเห็น่นหวไงเข้มขนขุ่นหัไรวะจีนอนเสร็จไหมพี่เสรอันเสร็จยู เฟอร์รอรี่ Ferrari, นะครับเฟอร์รอรี่ความเร็ว300ตอนนี้ใช้ความเร็วประมาณส0มคนอยู่ในแท็กซี่ตายทั้งคนขับคนนั่งแล้วคนขับเฟอร์รอรี่เสียชีวิตพร้อมกันหมดนะครับอันนี้เห็นว่าอันนี้เห็นชัดเจนว่าเห็นภาพแค่ข้างหน้าแค่จุดเดียวนะครับด้านข้างไม่ต้องพูดถึงนะครับดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เห็นแท็กซี่นะครับเขาเห็นหลังจากนั้นมาไม่มีโอกาสได้เบรกนะครับไม่มีกาสนะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเพราะชนะที่เราได้อ่านนะครับ วัชนะที่เราได้อ่านวันนี้นะครับเป็นพูดถึงเรื่องของลิ้นเรื่องของคําพูดนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าอะไรปากเร็วนะครับต้องต้องฟังเลยนะครับเพราะว่าพรวัชนะของพระเจ้าตอนนี้เตือนเราแรงนะครับคำพูดของเรานะครับเขาบอกว่าสามารถกอร่อให้เกิดความเข้าใจอันดีก่อให้เกิดผลดีก่อให้เกิดคุณอนันต์ได้นะครับเราคงมีตัวอย่างหลายต่อหลายเรื่องที่เวลาเราพูดชมใครเวลาเราพูดอ่อนหวานกับใครนะครับคือเราได้มัก ได้รับผลตอบที่ดีเช่นเดียวกันครับในทางตรงกันข้ามคําพูดนี้ก็เองก็สามารถที่จะก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจขัดเคืองใจจนถึงความโกรธแค้นได้เช่นเดียวกันครับและเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจถึงอาจารย์ยากอบที่เตือนเราในพระวจนะตอนนี้นะครับ ว, ว่าความสําคัญหรือความรุนแรงของคําพูดเนี่ยนะครับ มีมากขนาดไหนเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทของคนในยุคนั้น เ, นเป็นยังไงนะครับในข้อหนึ่งจึงบอกกับเราว่าดูก่อนพี่น้องข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นแต่ได้รับการส่งพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นอาจารย์ผู้สอนในพระธรรมปีสมัยนู้นครับไม่ว่าจะเป็นพระธรรมปีเดิมหรือพระธรรมปีใหม่นะครับมีบทบาทและมีความสําคัญต่อคริสตจักรมากนะครับนะ เราเราอาจจะพบเห็นหลายค น, นครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปเปาโลใชครับเปโตรยอนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาต้องคอยตักเตือนผู้ที่สอนผิดที่เข้ามายังคริศจักนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยผู้ผู้คนทีส่สอนผิดเนี่ยคือจะมักจะมีสิ่งที่แตกต่างกับผู้ที่เรียนแบบชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับก็คือเขาจะใช้สถานภาพในความเป็นอาจารย์ตำแหน่งของ ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าในสมัยนั้นอาจจะเรียกว่ารับบีหรือรับใบเนี่ยนะครับคือมันทำให้เกิดไม่เพียงแต่เกิดผลเสียต่อแค่กลุ่มคนเล็กๆนะครับเกิดผลเสียต่อวงกว้างต่อคนในคริสตจักรเลยทำให้คริสตจักรแตกแยกก็มีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเองครับแต่ผมรู้สึกสบายใจเมื่ออ่านพระชนะตอนนี้มาถึงข้อสอง โล่งใจว่ายากรบไม่เพียงแต่กล่าวตักเตือนผู้สอนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงเราทุกคนที่ได้ฟังได้อ่านพระวจนะตอนนี้ด้วยเพราะข้อสองบอกกับเราว่าเพราะเราทุกคนทําผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทําผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบครอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะครับยากบตักเตือนชัดเจนถึงคําพูดนะครับโดยเฉพาะคําพูดที่ขาดความระมัดระวัง แล้วบ่อยครั้งเนี่ยคำพูดที่ขาดความระมัดระวงังหลไม่ได้เป็นผลเสียต่อคนฟังเท่านั้นนะครับผู้พูดก็เป็นผลเสียแล้วก็ส่วนรวมก็เป็นผลเสียด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะคำพูดหรือการพูดเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนดีรอบครอบตามที่พระพีตอนนี้ได้ข้อ น, นี้ได้พูดถึงนะครับคนดีรอบครอบในที่นี้ก็หมายถึงคนที่เนี่ยเ ร, เราท่านท่านเนี่ยที่เป็นคริสเตียนนะครับ ที่มีชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับเมื่อเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถเป็นผู้เชื่อที่สามารถควบคุมนะควบคุมคำพูดควบคุมความประพฤติควบคุมการกระทําได้ที่สําแดงออกมานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรามีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนนะครับคําพูดที่พูดออกไปเนี่ยพูดที่จะหนุนใจหรือเสริมสร้าง หรือจะเพื this, us, ่อพ like cool. ูดเพื่อทําลายนะครับพูดเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะครับหรือจะพูดเพื่อที่จะกัดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันสามารถเป็นตัวชีวัดได้เลยนะครับดังนั้นเราควรมัดระวังในการใช้คําพูดและบ่ายนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสดันดีนะครับที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในหัวข้ออิทธิพลของคําพูดผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะแต่ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจในฐานในครั้งนี้ครับ พระเจ้าพระบิดาเต้องหลายขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับบ่ายนี้ถึงแม้อากาศจะร้อนจัดถวกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิหารของพระองค์ที่เย็นมีความเย็นทำให้ข้าพระองค์ได้คลายร้อนและจะมีโอกาสที่จะที่สำคัญก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านทางพระวจนะด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดสอนเราเป็นการส่วนตัว ให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราได้ฟังหรือได้ยินเท่านั้นแตจ่จะสามารถได้รับการทรงนำของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถที่จะตอบสนองต่อพระชนะของพระองค์และเพื่อที่จะเป็นที่ถวายเกียรติแต่พระองค์เราจรึงขอขอบคุณพระคุณพรองร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกับทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสิ่งที่เราเรียนรู้จาก อิทธิพลของคำพูดนะครับประการแรกครับพูดให้เป็นพรนะครับในข้อสามข้อสี่บอกกับเรานะครับบอกว่าถ้าเราเอาบางเหียนใส่ปากมา้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนไหนได้ทั้งตัวจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนา ย, ายท้ายที่จะให้ไปทางไหนนะครับยากกอดลังบอกเราง่ายๆครับ เข้าใจไง่ายๆว่าเมื่อเราควบคุมลิ้นได้เราจะสามารถควบคุมตัวเราทั้งตัวได้นะครับและให้ให้ภาพให้เราสองอย่างภาพสองภาพที่เราเห็นนะครับก็คือว่าภาพแรกเนี่ยพูดถึงในสมัยก่อนครับคือเรามันไม่เหมือนสมัยนี้ที่เรานึกถ้าพูดถึงสัตว์เนี่ยเราหลากหลายมากเลยโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วัวันนี้ผ่านวันช้างนะครับวันช้างเนี่ยคือก็นึกถึงช้างแต่ในสมัยนั้นเนี่ยภาพที่เห็น คุ้นเคยภาพที่เห็นกันเป็นประจำคือภาพของม้านะครับม้าแล้วก็เขาจะเห็นเลยว่าเออม้าเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับม้ามีพละกําลังม้าตัวใหญ่นะครเมื่อเมื่อเทียบกับคนนะครับม้าตัวใหญ่ม้าวิ่งวิ่งเร็วมีกําลังมีกําลังดีนะครับแตกต่างจคนนะครับและที่สําคัญก็คือว่าบังคับยากแต่เมื่อใดก็ตามเมื่อคนที่มีความสุก เวลาจะเข้าไปใกล้ม้าโดนมันดีดเอาใส่โดนมันวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อเขาขึ้นไปนั่งบนหลังมาปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าเมื่อเขาจับบางเหียนเท่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมมาได้นะครับแค่บางเหียนเล็กๆ เ, กเกนี่ยครับอยู่ในมือเขาเนี่ยเขาสามารถควบคุมม้าได้สิ่งที่เขากังวลมาเนี่ยหมดไปเลยนะครับอันนี้ให้เราเห็นเลยว่าภาพสัตว์ตัวใหญ่แต่มีสิ่งของเล็กๆ ที่พระเจ้าปรทานเนี่ยเราสามารถจะควบคุมมันได้เรือก็เช่นเดียวกันครับในสมัยก่อนนั้นก็เห็นภาพเรือภาพเครื่องบินคงไม่เห็นนะครับเห็นภาพเรือชัดเจน เ, เลยอาจจะเป็นเรือสำเภาเรืออะไรที่ใช้ไปกลางลมมาถึงจะแล่นได้นะครับแต่ใ น, ในเรือทุ ก, กรามก็ต้องมีหางเสือไม่ว่าเรือเราใหญ่ขนาดไหนก็ต้องมีหางเสือเพื่อที่จะไปตามจุดหมายปลายทางดังที่นายท้ายเรือคัดเรือหรือว่าคนขับนะครับ คนที่ควบคุมลิ้นได้ก็เช่นเดียวกันครับเขาจะสามารถควบคุมตนเองได้แล้วเมื่อเขาควบคุมตนเองได้โอกาสที่จะควบคุมสถานการณ์ที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยก็ยิ่งเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในสุภาษิตบทที่สิบห้ 15, ข้อหนึ่งครับเตือนเราว่าคําตอบอ่อนหวานช่วยละลายความกรดเเกีียวให้หายไปแต่คํากักขระเราโทสะนะครับเราคงเคยเห็นหรือเคยเห็นตัวเองในกระจกครับเวลาเรา โกรธเวลาเราพูดในขณะที่เรามีอารมณ์โกรธพูดในขณะที่มีอารมณ์โมโหแตกต่างกันเลยนะครับเราอาจจะพูดไปแล้วเดินผ่านกระจกเราตกใจนะครับเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ครับเป็นภาพสะท้อน ใ, ในพระธรรมยากอบเนี่ยพูดถึงเวลาเรื่องของการที่จะให้ดูตัวเองในกระจกนะครับคือยากอบพูดถึงการใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยที่สอนมาเนี่ยคือสามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับ เพราะคําพูดครับมีอิทธิพลมากนะครับมีอิทธิไม่เพียงแต่มีอิทธิพลครับมีพลังที่จะทําให้คนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคือจะเบิกบานใจหรือว่าจะห่อเหี่ยวใจเนี่ยได้เลยนะครับเรารู้ดีในจุดนี้นะครับเราผ่านมาแล้วยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยเรียนอยู่ในวัยทํางานเนี่ยนะครับเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชานะครับเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เป็นลูกน้องหลืก็ตามนี่ยแหละครับเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยเรารู้นะครับว่าเราเคยผ่านจุดนั้นมานะครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สามารถที่เราจะมาคิดใข้ครวนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาเดือนนี้นะครับตลอด40วันนี้เป็นเดือนที่เราควรจะคิดไข้ครวรมากยิ่งขึ้นมีเวลาคิดมากขึ้นเวลาพระวจนะพระเจ้าสอนอะไรเนี่ยเราก็พยายามคิดครับว่าเออไหนที่มันจะมาใช้กับชีวิตเราได้แบบอย่างที่เราเห็นอันไหนดีมาใช้อันไหนไม่ดี จำไว้เลยคืออย่าให้มันเกิดก่ในชีวิตเรานะครับแต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราดีๆเราสามารถพูดสามารถฟังสื่อสารกันได้แต่เมื่อเราอยู่ภายใต้ภาวะของความกดดันนะครั บ, รบพระพีตอนนี้ถึงบอกชัดเจนนะครับว่าลิ้นไม่เชื่องอะไรเนี่ยครับซึ่งเราจะมีการเรียนรู้ต่อไปนะครับเมื่อเราอยู่ภายใต้ความกดดันเมื่อเรารู้สึกสงสารตัวเองนะครับหรือเมื่อเราเข้าใจผิด อย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลายๆครั้งที่เวลาขอบคุณพระเจ้าในการเตรียมคําเทศนาทุกครั้งนะครับพระเจ้าก็จะให้บทเรียนพระเจ้าก็จะให้ตัวอย่างสอดแทรกมาเตรียมในเรื่องของความรักนะพระเจ้าก็จะให้บททดสอบในเรื่องของการแสดงออกของความรักเตรียมในเรื่องของคําพูดนะครับเรื่องของคําพูดเนี่ยพระเจ้าก็ให้บททดสอบมาในเรื่องของการยั่วยุรอบๆข้างนะครับแล้วก็การตอบสนองนะครับคือ เป็นสิ่งที่สามารถที่จะคิดได้เลยว่าเออทำไมพระเจ้นะถึงบอกเราอย่างนี้ทําไมในเวลานั้นเขาถึงบอกเราอย่างนี้นะครับที่หน้นตาตาเหล่านี้ครับผมอยากให้พี่น้องมีประสบการณ์ร่วมนะครับเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้ไปอ่านเองในการเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันเนี่ยนะครับนะครับขอพระเจ้าประทาน ความเข้าใจให้กับเราเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งเราจะจะไม่ยากเกินไปนะมันจะเหมาะเจาะจงกับชีวิตเราเลยเรามีจุดอ่อนไหนขอพระเจ้าสำแดงให้เรารู้ว่าเนี้ยจุดเนี้ยเราจะสามารถจะนำไปแก้ไขได้ยังไงนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราอยู่ภายใต้สภาวะอย่างนี้นะครับสิ่งที่ออกมานะครับคําพูดมันอาจจะแตกต่างไปนะครับแทนที่เราจะพูดเยียวยาเรา อ, อาจจะเป็นการพูดเสียดสีนะครับแทนที่เราจะพูดเหมือนกับปลอบประโลมกลายเป็นพูดแบบเหมือนสัต น้ำมันเข้ากองไฟครับยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับนะครับเขาถึงบอกว่ามันเหมือนกับลิ้นเนี่ยพันพิมบอกว่าเหมือนกับลิ้นเนี่ยมีชีวิตของตัวมันเองไม่ไม่เกี่ยวกับเราลิ้นมีชีวิตของมันต่างหากเลยไม่ได้เกี่ยวกัวบเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราเลยนะเพราะ บ, บางครั้งเนี่ยใจเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยว่าจะจะต้องพูดอย่างนี้ออกมาต้องแสดงกิริยาอาการอย่างนี้ออกมาแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดอยู่ในภาวะเนี่ยครับ ภาวะหลุดนะครับภาวะหลุดเพราะมันเกิดปุ๊บเนี่ยคือแล้วมาคิดได้ที่หลังโอ้ทําไปได้ยังไงเนี่ยทำไปนะครับมีตอหลายครั้งครับเพราะว่าถึงเขามีคําโบราณที่บอกไว้นะครับว่ามีสามสิ่งที่ไม่มีวันหวนกลับพอจําได้ไหมครับมีอะไรบ้างมีกระแสน้ํานะครับมีเวลามีคําพูดและอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้าไปนะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เรา ผมอยากจะยกตัวอย่างในช่วงน้ำน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับน้ําท่วมทางภาคใต้ที่ผ่านมาเรามีโอกาสไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจั ง, จงหวัดเดิมการที่เมื่อน่าจะประมาณสี่ห้าปีก่อนเราเคยไปช่วยให้การช่วยเหลือเขาก่อนที่เราไปให้การช่วยเหลือเนี่ยเราไปให้การช่วยเหลือในอําเภอสรีชนนะครับ อำเภออะไรอำเภอนึงนะครับคือมันอยู่คนละฝั่งกันตรงนี้เลยอันนั้นเป็นเป็นฝั่งที่อยู่ทางติดเขาเข า, โ ด, เาด โ, ดโดนดินถล่มนะครับโดนดินถล่มคือน้ํามันอุ้มต้นไม้มันอุ้มน้ํารับน้ำแล้วไม่ได้มันก็เลยถล่มลงมาเนี้ยครับระพังใส่บ้านชาวบ้านแต่ในคราวนี้แตกต่างกั น, กนคืออยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับอยู่ทางฝั่งติดทะเลไม่ว่าจะเป็นอํเาเภอ เฉวดอําเภออะไรเนี่ยที่น้ําขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตรังเนี่ยพี่น้องที่โดนน้ําน้ําท่วมเนี่ยเขาใช้คําว่าคือมันเป็นจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้เลยนะครับเพราะในขณะที่เขาเจอปุ๊บเนี่ยนะครับเขาหมดเหมือนกับสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าการเตรียมการของเขาเนี่ยเขาเคยเหมือนกับประเภทน้ําท่วมทุกปีครับ ก็เลยเตรียมการพอถึงเวลาช่วงน้ํามาเนี่ยเขาก็รู้แล้วเขาก็จะยกพอน้ําเริ่มขึ้นน้ําเริ่มท่วมเนี่ยท่วมท่อระบายน้ํานี่ยเขาก็เริ่มยกของยกนะครับแต่คราวนี้มันมาสูงสูงกว่าเดิมเยอะนะครับมีบางที่นะครับคือเขายกปลัก๊กออกมายกปลั๊กขึ้นมาแล้วเนี่ยสูงนะครับคราวนี้มันมีอยู่ที่หนึ่งที่น่าจะอําเภะอเฉวดเนี่ยครับคือที่โบวถแห่งหนึ่งนะครับคือมัเป็นรอยวัดไปเลยว่าสูงอย่างนี้จริงนะครับคือผมไปกับ มีผู้ปกครองอีกท่านนั้นที่สูงสูงผู้คลองอ่อนครับไปด้วยกันเนี่ยยังสูงกว่าหัวผู้คลองอ่องที่เขาเอามือทำอย่างงี้เลยนะครับคือสูงจริงๆนะครับคือเป็นคือเขาถึงบอกว่ามันไม่เพียงเท่านั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะแบบในช่วงเวลาระยะแรกเนี่ยเขาสิ้นเหนือประดาตัวคือหมดหมดใจเลยนะหมดหลังจากนั้นมาเนี่ยคนที่เขามีไม่ว่าจะเป็นสวนยางนะสวนปาล์มนะครับ พอน้ำแห้งออกมาครับดูเหมือนจะดีแล้วได้รับการช่วยเหลือมาบ้างแต่พอผ่านไปเดือนสองเดือนต้นไม้เหล่านั้นต้นปาล์มต้นยางตายครับเพราะมันขังน้ำขังอยู่มานานพอมันแห้งไปไีะดูเหมือนจ ะ, จะดีแล้วแล้วต้นไม้ค่อยมาตายครับคือเหมือนเคาะกระนาซ้าเติมนะครับเหมือนกับเอ่อมา และคือไม่มีจบไม่มีสิ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่เราอธิษฐานเผื่อนะครับแต่เราสามารถที่จะช่วยเยียวยาเขาได้อยู่ในภาวะของช่วงการเยียวยาและสิ่งนี้เองที่อิสยาหบทที่50ข้อสี่บอกเราไว้ว่าพระองค์ให้ข้าพเจ้ามีลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอนเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะค้้ชูผู้ที่ เ, นเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคำครับถ้อยคําในที่นี้บางครั้งถ้อยคําของเราครับเราดูเหมือนว่าเราอยากจะไปหนุนใจเขาด้วยประโยคนี้ประโยคนี้ แต่งจริงแล้วนะครับถ้าเป็นมาจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้านะครับไม่เพียงแต่จะเป็นถ้อยคําที่อย่างที่บอกว่าในพระวจนะของเจ้าบอกว่าเป็นฤทธเดชนะครับคือถ้อยคําง่ายๆครับฟังดูเหมือนเป็น พ, พระธระรมเพียตอนที่เราได้ยินบ่อยๆได้ยินกันเหมือนเป็นคําง่ายๆแต่พอเราบอกกับคนที่เขาไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับบางครั้งพระวจนะของพระเจ้าเหล่านี้ครับไปแตะใจเขานะครับทำให้เขารู้สึกเหมือนกับ มันมีคนเอาผ้านหน่วดมาคุมครับอย่างนั้นรู้สึกได้รับการปลอบประโลมมากกว่าคําพูดที่เราพยายามที่จะสรรหาคิดพยายามที่จะคดคินคิดค้นคําพูดนะครับไปไปบอกเขาเพื่อที่จะหนุนใจเขาแต่แตกต่างกันมากดังนั้นเนี่ยให้เราเห็นว่าพราะเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าเราสามารถที่จะใช้คําพูดของเราเนี่ยครับขำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยได้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยคําพูดของเราเอง เพราะเราเห็นชัดอย่างชัดเจนครับในพระธรมพี์เดิมเมื่อพระเจ้าตรัสกับโยชูวาให้เข้ายึดครองแผ่นดินคณาอันถ้อยคําของพระเจ้านํามาซึ่งชัยชนะในพระธรมภี์ใหม่เมื่อพระเจ้าตัดว่าเชื่อเท่านั้นจะหายถ้อยคําของพระเจ้านํามาซึ่งการรักษานะครับเมื่อพระเจ้าตัดว่าบาปของเจ้าได้รับการยกแล้วนะครับนํามาซึ่งการปลดปล่อยนะคสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านทางพระชจนะของพระเจ้าในเวลานี้ผมอยากจะให้เรา ก็ที่จะไม่ง่วงเกินไปนะครับหันไปบอกคนสายมือขวามือครับบอกว่าพูดให้เป็นพรพูดให้เป็นพรนะครับนะครับนอกจากจะพูดให้เป็นพรแล้วครับประการที่สองนะครับไม่พูดให้เป็นเพลิงครับไม่พูดให้เป็นเพลิงทีจริงนะอยากจะพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยเตือนเตือนเราแรงแลครับอยากจะใช้ใช้ภาพที่แรงเหมือนกัน อยาจะใช้ภาพของไฟเาผาผลาญครับแต่ทำไมออกมาเป็นภาพนี้ไม่ทราบเหมือนเหมือนลูกโดนแม่บ่นไงไดูนะครับเป็นภาพเหมือนเด็กแบบอุหูเหมือนลูกนะครับนะครับอันนี้เหมือนกันครับจะบอกว่าในประการที่สองผมขออนุญาตไม่อ่านเพราะว่าอยู่ในข้อห้าถึงข้อ8ดและเป็นพระคัมภีตอนยาวแต่อย่างน้อยให้เรานึกถึงภาพถึงก้นบุหรี่ครับก้นบุหรี่เวลาคนที่เขาทิ้งไปด้วยความไม่ตั้งใจครับดีดไปให้ไกลๆตัวครับเนี่ย เมื่อในกรุงเทพนี่อาจจะไม่ไม่เห็นภาพนี้ครับก็เดี๋ยวพระคงจะมีรถมาเหยียบมีคนมาเหยียบไปครับแต่ในต่างจังหวัดครับโดยเฉพาะที่ที่เราเห็นภาพก็คือที่ที่ปายครับเมื่อในเนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทางภาคเหนือเนี่ยดีเลยครับเป็นช่วงเวลาที่เขาจะนิยมการเผาเขาไม่เหมือนบ้านเราหรอกครับไม่เหมือนเวลาเราไปทําความสะอาดแถวเขาเรียกอะไรนะแถวคลองสามวาครับเรามีบ้าน เป็นมูลนิธิที่ของสามาวาเราพาคนงานไปทําความสะอาดเราทําความสะอาดไม่สามารถเราเก็บขยะมาได้ครับเอาไปทําใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยเราตัดหญ้าทุกอย่างเป็นหญ้าแห้งแล้วน่าจะเผาแล้ไม่เผาเราเผาไม่ได้ครับนะครับเพราะว่ามันจะสร้างมลภาวะมลพิษเราก็าไปทํากองเป็นปุ๋ยแต่ทั้งต่างจังหวัดครับเขาเผาเลยนะครับพื้นข้างถนนถนนหลวงเนี่ยเขาก็เผาก็นตรงกลางนะครับ นะสิ่งเหตุที่เขาเผาครับคือว่าโดยเฉพาะในป่าที่เขาเผาเนี่ครับือหลังที่หน้าเนี่ยแหละครับคือเผาเสร็จปุ๊บเห็ดก็ขึ้ น, นครับเห็ดทอบเนี่ยโอ้โหอร่อยครับแล้วมีราคาด้วยดังนั้ น, นีทางภาคเหนือเนี่ยเผายังไงก็เผาครับห้ามกันยังไงก็เผาก็มีถึงแม้ว่าจะออกมาเป็นกฎหมายของกอสชอแต่ตอนนี้คือเขาก็ลนระลงว่าออขอให้เผาแค่ช่วงนี้นะหลังจากนี้นะ อย่าได้เผาเพราะเผาแล้วเดี๋ยวมันอากาศยิ่งแห้งนะครับความชื้นสัมพัส์ไม่มีอากาศแห้งมากยิ่งเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีปัญหาไม่เพียงแต่เกิดไฟป่าเท่านั้นก็จะมีผลกระทบเวลาเครื่องบินขึ้นลงด้วยนะนะี่เป็นผลกระทบมากมายจึงให้เราเห็นได้ว่าพรมพีในตอนนี้ที่บอกว่าไม่พูดให้เป็นเพลิงเนี่ยนะครับนะครับคือบอกว่าไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไม่ได้เนะี่ยคือเราเห็นภาพ ตามข่าวเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นทางอินโดนีเซียทางออสเตรเลียนะครับโดยเฉพาะบ้านเราก็มีครับที่ไฟไหม้ป่าพลุใช่ไหมครับไฟไหม้ป่าพลุนี่คือก่อจะดับได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก่อจะดับได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตอนจุดเนี่ยครับมันจุดง่ายนะครับแต่สิ่งสําคัญครับที่พระพิทัตอนนี้กำลังบอกเรานะครับก็คือตรงจุดที่ว่าเมื่อมีการเหมือนกับลักษณะมีคนที่ เมื่อกี้ให้เห็นภาพว่าทิ้งก้นบุหรี่ไปโดยไมไ่ตั้งใจครับแต่เมื่อใดก็ตามที่จุดไม่ขีดนะครับด้วยความตั้งใจจุดเพื่อที่จะเผานะครับก็เหมือนกันครับบอกว่าในพระคัมภีข้อหกบอกว่าและลิ้นนั้นก็เป็นไฟลิ้นเป็นโรคที่ไร้ธรรมนะครับในบรรดาอาวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายหม่นทินไปนะครับดังนั้นนี่ครับผู้พูดนะครับผู้พูดไม่เพียงแต่พูดในสิ่งที่ไม่ดี และทำลายผู้อื่นแต่ตัวเองเนี่ยครับจะได้รับผลเช่นเดียวกับไม้ขีดเลยนะครับไม้ขีดเนี่ยก่อนที่มันจะทําความจะเผาผลาญสิ่งอื่นได้เนี่ยไม้ขีดจะต้องมอดนะครับจุดจนตัวเองอนะ่ะไหมก่อนเลยก่อนที่จะไปไหมสิ่งอื่นเนี่ยตัวเองอนะ่ะไหมก่อนเลยนะครับดังนั้นจึงเห็นว่าภาพนี่ครับเห็นได้ชัดจากเมื่อไม่นานมานี้ที่ช่วงที่บ้านเราไม่สงบนะครับ ที่จะมีคนที่เขาเป็นแกนนําต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเขาเรียกว่านักพูดปลุกกระดมนะครับเป็นเป็นนักพูดโดยเฉพาะนักพูดปลุกกระดมโดยเฉพาะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเมื่อเราฟังดูแล้วครับคือถ้าเป็นฝั่งเดียวกันเนี่ยฟังแล้วรู้สึกมีแบบแบบรู้สึกเออใช่รู้สึกแบบ เนี่ยคือทําให้แบบใจเรานั้นมากขึ้นเลยน ะ, ะว่าเออเราต้องเป็นอย่างนั้นจริงเราทำอย่างนั้นจริงแต่ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามฟังเราแบบรู้สึกเครียดนะครับคือไม่ีมมผลทันทีเลยคือนักพูดปลุกกระดมพวกนี้เขาถูกเขาถูกสอนมาแล้วเขาฝึกมาเรียนมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับสมยัยถ้าเขาเราจำได้นะครับมีโอกาสได้ดูแท็บหรือวิดีโอเก่าพูดถึงสมัยฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์ก็ Hitler เช่นเดียวกันครับฮิตเลอร์เป็นนักพูดปลุกระดมคนหนึ่งเลยครับในสมัยนั้นนะครับคือเมื่อพูดเนี่ยจะเกิดความพึกเขิมในชาตินะครับความเป็นชาตินิยมทหารทุกค น, นจะยินดีทําตามเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งผิดนะครับผิดจริยธรรมอะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถยินดีทําเลยตามคําสั่งผู้วังค้าบัญชาคําสั่งผู้นำนะครับเขามีวิธีจูงใจ ไม่เพียงแต่แค่ทหารที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาของเขาเท่านั้นคนนะครับคนทั่วไปเนี่ยก็ยังแบบยังสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคําพูดเนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับคําพูดนี้มีอิทธิพลมากพรมีร์ได้ให้ภาพตัวอย่างการพูดเป็นเพลิงไว้อย่างชัดเจนนะครับที่บอกว่าเปรียบลิ้นเนี่ยเหมือนไฟที่เผาไหม้ป่ายใหญ่นะครับเผาไหม้ปลายใหญ่อย่างที่ผมบอกไปนะว่า มือนก็นไม่ขีดไฟนะครับที่จะต้องทําลายตัวเองก่อนที่จะไปทําลายผู้อื่นสุภาษิตบทที่16ข้อยีิบเจ็จึงบอกแล้ ว, ว่าวาจาของเขาเหมือนอย่างไฟลวกนะครับดังนั้นก็เมื่อใดก็ตามที่เราใช้คําพูดของเราครับไปพูดในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับเช่นผู้ติฉินนินทาวิพากวิจารณ์เกินความจริงนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องรับรู้อย่างหนึ่งครับว่าการที่เราเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรนะครับ เห็นคนนี้ทําสิ่งไม่ถูกต้องถ้าเราพูดกับเขาโดยตรงนะครับมันเป็นสิ่งที่พระพีเรียกว่าหนุนใจและเสริมสร้างนะครับบอกเขาด้วยความรักบอกพูดเขาเขาก็จะรู้สึกเอออันนี้เป็นสิ่งที่เขาควรจะปรับปรุงแก้ไขพูดกันสองต่อสองไม่ได้พูดกลางวงไม่ได้พูดต่อที่ชุมชนนะครับนี่เป็นสิ่งแต่ไม่ได้ก็ตามที่เราไม่ได้พูดกับเจ้าตัวเองเราไปพูดรับหลังไปเหมืกับนินทานะครับสิ่งนี้ครับพอเขารู้เนี่ยรู้สึก เขาก็เสียใจอ่ะนะครับนะครับคนฟังก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมนะครับก็เหมือนกับการบ่นไม่แตกต่างกับการบ่ น, นครับดังนั้นเนี่ยพระพิมพ์ถึงสอนผมก็ถูกสอนมาแล้วว่าเวลาอยู่ในวงของคนพูดในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเนี้ยคือให้เราลุกหนีเลยนะครับคือนอกจากเราจะไม่พูดร่วมวงไปเขาแล้วคือให้เราลุกหนีเลย ให้เราลุกหนีเลยรู้ให้เขารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในคริสตจักรของพระเจ้านะครับในพระกายของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ควรทําอย่างนั้นนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ถึงบอกเราไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเราใช้คําพูดนะครับที่ออกมาจากความเกลียดนะครับออกมาจากความเริ่มจากความโกรธแล้วมาถึงความเกลียดเนี่ยนะครับพยายามที่จะพูดให้คนอื่นเสียหายเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ในพระธรรมสุภาษิตนะครับ ผมจำไม่ได้ว่าบทอะไรที่บอกว่าที่พระเจ้ามีอยู่ประมาณหกเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบคือตายะโสลิ้นมุสานะครับนะเท้าที่เดินเข้าไปหาความผิดนะครับมือที่เปื้อนเลือดเนี่ยครับสิ่งต่างต่าเนี้ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยทั้งสิ่งนะครับเรื่องบางอย่างดูเหมือนเป็นเลี้ยงเล็กน้อยแต่เมื่อผู้พูดมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีครับดังนนั้นมันก็ไปเหมือนที่เขาบอกไฟลามทุ่งครับนะครับเหนะมือนไฟลามทุ่งเหมือนเวลาเราโยนหิน ตกไปในน้ำที่นิ่งๆครับมันก็เป็นวงวงๆขยายเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับพระพีพ่ถึงเปรียบให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเสมือนไฟป่านะครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้นะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงป่านะครับที่บอกว่ามีเด็กชายคนหนึ่งครับที่เขาเกิดขึ้นมาและเขาไม่มีการรู้จักกับพ่อแม่ตัวเองคุณย่าเลี้ยงนะย่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดเลยโตมานะครับ เมื่อเขาใช้เติบโตมาถึงในช่วงไวไัยวัยหนุ่มเนี่ยเขาก็คือไม่ได้หาการหางานทำํำก็ยังใช้เงินย่าอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับย่าเลี้ยงดูมาตลอดนะครับจนถึงวันหนึ่งเนี่ยย่าถูกลอตเตอรี่นะครับญาติพี่น้องก็มีโอกาสมาของเงินจากจากคุณย่าคนนี้ย่าเป็นคนใจดีแล้วนะครับก็ให้แต่พอหลานคนนี้ยมาขอนะครับมาขอส่วนแบ่ง ย่าก็เลยใช้คำพูดแรงๆกับหลายคนเนี้ยผมขอเซนเซอร์ใช้ภาษาเหนือคงพอเข้าใจครับที่ประโยคคิงกับฮานะครับคิงกับฮานะครับคือคิงก็คิง ก, ก, ก็คือตัวผมหาก็คือตัวคุณนะครับเขาบอกว่าย่าก็เลยบอกว่าถ้าบ่งให้ไปแล้วฮาไม่มาขออีกคิงจะให้นะครับผลมุากฏเด็กคนนั้นเนี่ย นะครับวัยรุ่นคนนี้ก็น้อยน้อยใจแล้วก็ไปผูกคอผูกคอตายแล้วก็ได้ตายสมใจจริงครับและสถิติคนข่าตัวตายอย่างที่เราเห็นนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ไม่กี่เดือนมานี้เห็นเลยว่าเขาประมวลกันแล้วว่าตกประมาณสีนาทีครับที่มีคนตายคนหนึ่งนะครับสำหรับคนไทยนะครับ คนไทยนะครับที่มีคนคิดฆ่าที่จะฆ่าตัวตายหรือเมื่อไม่นานนี้ก็มีเรื่องคนที่ฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าตัวตายได้มีคนที่พยายามฆ่าตัวตายและคนไปเห็นแล้วช่วยได้ก็มีเหมือนกันนะครับสิ่งต่ล่านี้ครับเกิดจากความน้อยใจนะครับความน้อยใจจากคำพูดเนี่ยน่าจะเป็นอันดับสามและอันดับสี่เลยนะครับที่แบบว่าได้ยินคนในครอบครัวเพูดในสิ่งที่ทาให กระทบกระเทือนใจตัวเองนะครับแล้วตัวเองก็ตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่เป็นอยู่ในวัยอายุ 20-25 ปีนะครับเป็นสามารถที่จะกระทำการหุนหันพันแล่นนะสิ่งต่างๆ่างเ่งนี้ครับพระวิจาาณเป็นสุดนะครับที่มีอยู่ในเราทั้งหลายที่เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยดังนั้นเนี่ยน่าจะสามารถควบคุมตัวเราเองได้มากกว่าคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับในสรุดีแบทบที่140ข้อ3 บอกว่าเขาทําลิ้นของเขาให้คมเหมือนลิ้นงูและภายใต้ลิฟิปากของเขามีพิษของงูหางไหม้นั่นแสดงว่าลิ้นของมนุษย์ที่พัมพีบอกในข้อนี้ตอนนี้เป็นจริงนะครับว่าลิ้นมีพิษจริงๆนะครับไม่ใช่เราคิดว่างูเท่านั้นที่มีพิษลิ้นก็มีพิษครับสามารถทําให้เกิดเนี่ยการบาดเจ็บล้มตายได้เช่นเดียวกันจากคาพูดที่ไม่เล่เรามั่ระวังนะครับดังนั้นนะครับขอให้เรา ช่วงเวลานี้ที่จะเป็นช่วง40วันเนี่ยให้เรามีโอกาสได้ไข่ควรเยอะๆถึงสิ่งที่พระเจนะของพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของคําพูดนะครับพูดที่เป็นพรนะครับแล้วก็ไม่พูดให้เป็นเพลิงครับหันไปบอกคนข้างซ้ายข้างขวาครับไม่พูดให้เป็นเพลิงนะครับประการสุดท้ายครับทุกสิ่งที่เราทํานะครับ ที่เราเรียนรู้ด้วยกันแล้วเราตั้งใจที่จะสั่แดงออกมานะครับก็เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าเพราะในเก้าถึงข้อสิบสองบอกเราอย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายสรรเสริญองค์ผู้เจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์คําสรรเสริญและคําแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันดูก่อนพี่น้องของพระเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้น พันพีตอนนี้ได้เตือนสตินะครับให้ภาพตัวอย่างในการเตือนสติพูดถึงน้ําน้ําพุะนะครับบอ่อน้ําพุที่มีน้ําจืดกับบอ่อน้ําพุที่มีน้ํากร่อยนะครับคือแต่ละบอ่อเนี้ยมีความแตกต่างอยู่แล้วน้ําจืดเขามีรสชาติจืดสามารถเอามาหุงหาทำอาหารได้สามารถดื่มกินได้น้ํากร่อยนะครับอนเค็มนะครับ ปเปรี้ยวเค็มไม่สามารถเอามาปรุงอาหารได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเรานึกภาพชัดเห็นชัดมากขึ้นน้ํากรองให้เรากินอยู่ทุกวันนี้ครับถ้าเปิดก๊อกใหม่ๆเป็นน้ําที่เรากินได้แต่พอทิ้งไว้อีกไม่กี่วินาทีมันเป็นน้ําคลำ้ำอันนี้เป็นสิ่งที่เรื่องซีเรียสเลยนะครับพอเราเห็นแล้วเออมันจะเป็นไปได้ออยังไงครับอันนี้พพี่กําลังบอกภาพให้เราเห็นภาพอย่างนี้ครับว่า มันเป็นไปนไม่ได้ครับว่าคือแหล่งที่มาที่เดียวกันเนี่ยแล้วมันจะเกิดสองสิ่งในเวลาเดียวกันเหมือนกับที่ภาพเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เห็นว่าต้นมะเดื่อต้องออกผลเป็นมะเดื่อใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับว่าอะไรสิ่งไหนบอ่อน้ำพุจืดมันก็ต้องเป็นน้ำจืดบ่ อ, บอน้าพุกลอยมันก็ต้องเป็นน้ากลอยนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าและโดยเฉพาะเราอยู่กันท่ามกลางคนหมู่มากนะครับอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยนั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับที่สิ่งที่เราเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะในพระคัมภี์ตอนนี้ประการที่สามเนี่ยว่าให้เรามีชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าไม่เพียงแต่คําพูดที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้านะแต่ขอให้เป็นชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ยกตัวอย่างนะครับว่า คือจริงๆแล้วอยากจะให้เราทุกคนนะครับก็คงจะต้องฝึกกันนะครับว่าเราอยู่ต่อหน้ากันในวันอาทิตย์นะครับวันอื่นเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในที่ทํางานเราก็ยังเป็นคนเดิมที่อยู่ในวันอาทิตย์คืออยู่ต่อหน้าพระเจ้าองค์เดียวกันสิ่งที่พูดสิ่งที่ทําออกมาก็ต้องเป็นภาพเดียวกันนะครับเนี่ยพระพรมพีกำลังบอกไงนะครับว่าไม่ใช่เราอยู่ต่อหน้าพี่น้องที่เป็นคริสเตียน เราก็ดาเนินชีวิตเหมือนคริสเตียนเมื่อเราไปอยู่ต่อหน้าอยู่ร่วมวงกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเราก็ดาเนินชีวิตแบบคนที่ไม่เป็นคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะ น, นัของพระเจ้าตอนนี้กำลังบอกเราชัดเจนว่าเราต้องมีจุดยืนของเราครับโดยเฉพาะจุดยืนที่ในพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกก็คือว่าการที่เราจะมีชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้านะครับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทาขอให้เป็นสิ่งที่ เมื่อเราสำแดงออกมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าพระเจ้าดูอยู่พระเจ้าจะชมเรานะจะยิ้มได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้หลักอยู่แล้วว่าเราต้องใช้ถ้อยคำนะคที่มาจากพระเจ้าเนี่ยพูดให้คนได้รับการปลอบประโลมนะได้รับการหนุนใจนะได้รับ ความชื่อยเหลือนะผ่านทางคําพูดของเราผ่านทางการแสดงออกของเรายกตัวอย่างของคนในพระัมปี์ที่ชื่อบารันบัสครับที่เขาเป็นลูกแห่งการห น, นุนนะ้ําใจนะครับเหตุสาเหตุที่เขาชื่อนี้นครับเพราะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเป็นสิ่งที่เขาตอบสนองในการที่เห็นพระเยซูทําอย่างนี้เขาก็จะดําเนินชีวิตแบบนี้ครับนะเห็นพระเยซูดูแลคนที่คนอื่นเขาไม่เอาคนอื่นเป็นมนทินคนอื่นดูเหมือนเป็นคนบาป แต่เขาก็ยินดีที่จะทำอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนามาปรับใช้ในชีวิตของเราเพราะในสภาวะของสังคมปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในสังคมที่เศรษฐกิจยางฝืดเคืองนะครับยังมีพี่น้องหลายคนครับที่ยังมีความทุกข์ยังมียังยังในภายในใจเขายังหงงโงงอยู่ครับคือเขายังไม่มีที่พึ่งจริงๆ ในปัจจุบันนะครับคนที่เดินเข้ามาในโบสถ์เราแล้วมารู้จักกับพระเจ้ามาต้อนรับพระเจ้าเนี่ยมีมีมาเรื่อยๆนะครับผิดกับสมัยก่อนนะครั บ, นะรบสมัยนี้คือคนที่ต้องการรู้จักกับพระเจ้าอยากจะรู้จักกับพระเจ้ารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองอะ่ะถึงแม้ว่าจะมีเงินถึงแม้ว่าจะมีการงานแต่ยังเหมือนกับขาดที่พึ่งทางใจนะครับดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ครับนะครับถึงก็ยัง มีความต้องการเรานะครับต้องการสิ่งที่เราจะพูดออกไปและทําให้เขารู้สึกได้รับคําตอบนะครับแล้วโดยเฉพาะการที่พูดเรื่องพระเยซูพูดเรื่องที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับจะเป็นเป็นคำตอบได้มากกว่าการที่เป็นประสบการณ์ของเราเป็นคําพูดที่เราคิดที่จะพูดออกมาเองนะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะทวนอิทธิพลของคําพูดนะครับสามประการ 1. พูดให้เป็นพรสองไม่พูดให้เป็นเพลิงและสเพื่อสรรเสริญพระเจ้าแล้วผมอยากให้เรามีโอกาสได้ร้องบทเพลงบทเพลงสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็ให้เรามีโอกาสได้ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเป็นที่สรรเสริญพระเจ้าตามบทเพลงนี้ครับขอช่วย<อ>เปิดคลิปสุดท้ายครับ